ไปบูชาพระเจดีเลยนะแกทําบุญแล้วก็ตั้งสาถนาว่าสาทูเดอร์แบบไงโดยผลของบุญนี้อ่ะผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ญาติของข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าแล้วติดใจเลยแต่แ <c oughs> ล้วหลังจากชาตินั้นเนี่ยนะแกไม่ผิดตามเมย์เฉพาะกับคนที่เป็นญาติเท่านั้นแหละผู้หญิงที่เหลือเจอหน้าแกเนี่ยตามแกต่ต่อยตอยไปหมดอ่ะทากรรมอย่างนี้ก็มีนะคนมาคนเนี่ยโหพิเศษนะตอนนั้นนี่แต่ว่ามนะเหตุไม่ค่อยดีนักนะ พุทเจ้าบอกว่าคนที่ผิดศีลการเม่บ่อยๆบางทีเขามีสามีมีรายละเอียเงี้ยหรือว่าพ่อแม่เขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยมันก็ผิดศีลใช่ไหมก็ผิดศีลแล้วก็เป็นปัจจัยเขาบคนที่ผิดศีลอย่างนี้บ่อยๆทําให้นอนไม่หลับนะคนผิดศีลทีนี้ทําให้นอนไม่หลับหวาดระแวงแล้วก็ตายแล้วก็ตกนรกเป็นต้นเพราะฉะนั้นในความปรารถนานี่เห็นเขาขมุบขมิบแล้วเดง๋ยัวทนานกับเขาหมดนหนไม่ได้นะแต่ก็อยากคิดนะคนที่ปรารถนาดีๆก็เยอะ บางคนนี่เคยถามตั้งแต่เด็กบอกว่าป้าป้าป้าขมบขมิดเมื่อกี้เนี่ยป้าปารธนาว่าอะไรก็บอกปารธนามักสีผมสีนิทานหนึ่งเออเดี๋ยวเราเอ า, เอาบ <c oughs> อ้างหนะนั่นแหละเพราะแรงปารธนาแรงอธิษฐานนั่นแหละเป็นอุปนิสัยที่สำคัญมากทำให้เกิดมาทำให้มาให้ได้รับการเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพในกุศลกุศลเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> บุญอันเดียวกันเนี่ย ที่เรามาทําร่วมกันนะบางคนเนี่ยผลของกรรมอันนี้ทําให้มาเกิดเป็นมนุษย์ศึกาพระธรรมาเหมือนกันนี่แหละบางคนทําให้เกิดเป็นเทวดาแม้แต่เทวดาบางคนก็เป็นชั้นพุทธะเทวดาจารุ ม, มหาราชิกาเทวดานาวดึงเทวดาจะเป็นเทวดาไม่เท่ากันเพราะอุปนิสัยมีกําลังแตกต่างกันมากหรือแรงปฎถนาะแรงอธิษฐานเป็นต้นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็ถือว่าเป็น ประตูปานิสยปัจจัยที่ทําให้มนุษย์มีความแตกต่างกันปริวานเนี่ยเนี่ยน่าสนใจมากเลยแล้วก็ไอตัวนี่เนี่ยนะครับที่เราที่เราตั้งความปรารถนาไว้นี่เนี่ยนะมันเป็นประโยค่าอย่างหนึ่งมันเป็นประโยค่าอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นที่ทวันะในมโนทวานครับนะ มนเกิดขึ้นในชวนะที่เป็นมโนทวานนะในชวนะที่เป็นมโนทวานนี่น่าคิดหลายอย่างประการที่หนึ่งนะมันเป็นโยนิโสมณสิกานได้นะตัวนี้เนี่ยนะในมโนทวานวิถีเนี่ยละไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นโยนิโสมณศสิกานได้นะตั้งคิตไว้ชอบได้หรือว่าเป็นอัตตะสัมมาปนิธิได้ ตั้งใจไว้เนี่ยต่อไปนี้จะไม่พูดเท็จตั้งไว้ได้ต่อไปนี้จะไม่พึ่งท่อผู้อืน่นตั้งกิดไว้ได้นะทําได้ไม่ได้อีกเรื่องนะแต่ว่าถ้าตั้งไว้โอกาสทําได้มันมีนะถ้าตั้งไว้นี้และต่อไปมันทําได้ตั้งไว้วันนี้พรุ่งนี้ทําได้ตัวนี้เป็นปกรปกรนันตัวปรกัตัวเป็นเสียปัจจัยแสดงว่า การตั้งกิดไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นการเปิดประตูแล้วนะทําให้ผู้นี้อไม่เพ่งโทษผู้อื่นได้นะตัวนี้หลายอย่างนะตัวนี้โยนินโสมนานิกฐานถ้าว่าตั้งใจไว้ถูกเนี่เราเรียกว่าโยนิโสมนานิกฐานะหรือว่าอัตตะสัมมาปณิทินะครับแต่ถ้าหาว่าตั้งใจไว้ผิดนะครับนิถานะครับตบบนี้สัมมาปณิธินะไม่ ให้มิจฉาปานิธิไม่ใช่มิจฉาสมาัมมาตั้งให้ผิดเป็นมิจฉานะฮะอปาณิธิถ้าตั้งไว้ถูกเป็นสัมามาปณิธิดวง น, นี้สำคัญมากเลยนะครับอตัวนี้เนี่ยซึ่งอยู่ในชาวนาเจ็ดดวงนี้นะครับถ้าหากว่าเรามองในแง่ที่เป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยค่ะหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นกรรมในปัจจุบันนี้นะครับเป็นกรรมในปัจจุบันชาครเพราะชีวิตเราเนี่ย ขณะนึ่เราได้รับกรรมในอดีตเมื่อรับแล้วเราทํากรรมทันทีเลยนะในชวนะในมโนทวารทีนี้เราทําทันทีเลยและไอทําทันทีตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นกรรมปัจจุบันและมันมีผลด้วยนะรกรรมที่มีผลในปัจจุบันเนี่ยที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมีผลเหมือนเปิดประตูรับกรรมในอดีตนะครับถ้าหากว่ามันเป็นประโยคนาสมบัตินะครับ มันก็เป็นการทํากรรมในปัจจุบันเนี่แล้วเปิดโอกาสให้ได้รับกรรมในอดีตเพราะว่าการทําในปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วได้ผลในปัจจุบันเนี่ยมันมีน้อยมากเลยถูกไหมฮโดยมากมันรับทำกรรมปัจจุบันเนี่ยแล้วมันไปรอเราข้างหน้านู่นไปรอเราอยู่เรื่อยนอกจากทิฏฐธรรมเวทียกรรมคือชวนาจิตองค์ที่หนึ่งเป็นคลุกรรมแรงๆเท่านั้นเองเป็นกรรมหนัหนกๆเนั้นเองที่จะได้รับกรรมใชาตินี้เนี่ย แต่ส่วนใหญ่แล้นี่นนะถ้าทำกรรมไม่นนานี้นะในปัจจุบันในชานีนะ้มันไปรอนู่นแล้วแต่ขาะที่มันไปรอ น, นู่นเนี่ยมันให้ผลทางอ้อมแล้วมันให้ผลทางอ้อมแล้วคือหมายความ ว, าว่ามันเปิดประตูให้รับกรรมในอดีตง่ายขึ้นนะครับเช่นตรงนี้นี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าอ่ า, านคิดท่านจะยกตัวอย่างบอกว่าเออนี่นะท่านจะรับผลกรรมในอดีตเนี่ยนะฮะท่านก็ยกนี่ดื่มขึ้นเลยอ่ะเนี่ยนะ เนี่ยให้ยกน้ําปานะเดิมเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยความเจตนาในการยกน้ําปานะเดิมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเป็นกรรมในปัจจุบันนี่นะแล้วก็ท่านไปโยคะให้ท่านได้รับทิวหาวิญญาณซึ่งมาจาก่าติอื่นนะแต่เจตนาถ้าเกิดท่านทมด้วยลภะนินั่นท่านไปรอรับกรรมของนายอีกแล้วนะอือดองดีนะแต่ถ้าท่านไม่ ถ้าท่านไม่เกินเกิดไม่ไปไม่เพ่งไม่อไม่เพ่งไม่โยนิโสไม่มีสัมผัสยะสีนี่นะทําไปรอรับกรรมที่ไหนเลยนะเพราะนการที่ท่านเบื่อเนีตอนคิวหาวิญญาณที่เป็นจิจท่าบิบากเนี่ยมาจากอดีตชาตินั้นไม่รู้ดวงไหนก็ไม่รู้สองในหอ่ะเนี่ยชาวนาดวงสองดวงที่หกอะไรนะไปโยคะในที่ทําให้ยกแก้วดิมเนี่ยนะสมมติเนี่ยเดิมแล้วก็เดิม แต่ะยกฮะหรือชาวนะจิตทำจิตแช้าที่ทําให้ยกแก้วเนี่ยเป็นชาวนะชาวนะที่ทําให้ยกแก้วเน่ต้องยกด้วยทายกด้วยสัมปทานญาก็เป็นมหากุสัมหากรุสัน ah ah ถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อเชี่วหาวิญ ญ, ญาณแต่ถ้าหากว่ายกด้วยโลพาโลพาอันนั้นก็ถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อเชีวหาวิญ ญ, ญาณก็แล้วแต่ว่าจิตที่ทําให้ยกแก้วเนี่ยยกด้วยจิตชนิดไหน ที่ทำให้ยกแก้วถือว่าเป็นประตู ป, ปะนิสยาปัจจัยที่สําคัญมากต่อเชียวหาวิญญาณเพราะฉะนั้นคำ ว, ว่าประโยคน์านี้น ะ, ก, ะรรก็คืออะไรครับก็คืออะไรครับถูกได้เลยปะระตูปัปจมิสยาปัจจัใจผลปะระตูครับเปิดประตูรับเปิดประตูรับกรรมเก่านะครับถ้าท่านโยนโฉนะครับหรือว่าถ้าท่านพิจารณาในการหรือมีสัพพัญญาในการเื่นนี้นะครับไอ้ผลอันเนี้ย มันเป็นรอข้างหน้ามันแล้วท่านจะต้องไปได้ผลจะชิวหาวิญญาณข้างหน้าอีกเยอะแล้วรอข้างหน้าอีกหลายแก้วแล้วนะเธอกรรมที่ทําขนาดนี้ใช่ไหมสมมติถ้าหากว่ายกจิตที่ทําให้เกิดการยกมาเดิ่มก่อนที่ชิวหาวิญญาณจะเกิดเรียกว่าเป็นตกตูปานิสัยปัจัยให้ชิวหาวิญญาณเกิดพอชิวหาวิญญาณเกิดรับลิ้นรับรู้รสถ้ามีสัมปทัญญะสี่ประการก็ถือว่าทําเหตุใหม่เพื่อกำต่อไป ทีนี้กรรมทำขนาดนี้จะให้ผลหรือไม่ไปดูที่ว่าขณะก่อนนี้นั้นมีประโยค่าดีไหมใน ต, ตอนนั้นถ้าไปมีประโยค่าดีกรรมก็ให้ผลใช่ไหมถ้าประโยค่าไม่ดีกรรมก็ไม่ให้ผลถามว่ารถมีอยู่ลิ้นมีอยู่แต่ว่ามือจะยกไม่มีอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประโยคน์ค่าใครเรียกว่าอุปทิพวิบัติแล้วไม่มีคนยกให้หรือว่ามีแต่ไม่อยากดื่ม จิวหาวิญญาณก็ไม่เกิดเพราะถือว่าประโยค้าวิบากที่วิบากอันนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วแต่ถือว่าประโยคประโยคนตัวนี้ก็คือการประกอบความพยายามที่จะให้วิบากอันนั้นเกิดขึ้นตามสมควรโดยประตูปัตนิสยาปัจจัยเพะนั้นตัวที่เป็นประตูนี้พระองค์ทรงแสดงว่ากูศนเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากก็ได้อากุศลเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากก็ได้นั่นแหะครับอันนี้ผมเปยกตัวอย่างตัวอย่างนะ ให้เห็นทัดเลยนะสมมติว่ามีใครคนหนึ่งนะถูกจับได้เนีน่ยถูกจับจะติดตารางอยู่แล้วนี่นะเอานี้ดีกว่าเอาบั ท, ท่านเนะี่ยเอานี้ดีกว่าเอางด น, นะเอางด น, นะนสมมติว่าเราเป็นนี่นะเป็นนี่ ธนาคารฟ้องแน่นอนแล้วเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยธนาคารฟ้องแน่นอนแล้วติดตารางแน่นะติดตารางแน่เราพอมองเห็นแล้วว่าเราจะต้องรับบากเข้าไปอยู่ในคุกสมมุตินะอะเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราก็มีประโยคนครับเอไม่มีเงินไทยนี่ครับนะไม่มีเงินไทยนี่ครับก็ไปค้ายาเสรติด ไอจิตเจตนาในการค้ายาเสพติดเนี่ยอยู่ในชาวนะอันนี้เนี่ยนะมันไปค้ามาแล้วบังเอิญถูกจับไม่ได้ไม่ถูกจับรวยขึ้นมาเนี่ยนะมีเงินทองไปใช้นี้เขาถามว่าอันนี้เนี่ยผลจากการร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลจากการทำชั่วยอย่างนี้หรือนะนี่จะมีอย่างใช่ไหมผลจากการทำชัว่วนี้ทำให้เขาร่ำรวยนะครับ แสดงว่าอันนี้เนี่ยนะจริงๆแล้วมันต้องว่าอันนี้เนี่ยทำกรรมใหม่นะครับเป็นประโยคะเปิดประตูเปิดประตูให้กรรมในอดีตซึ่งเราทำกรรมดีไว้เนี่ยให้ผลนะครับไม่ใช่ว่าทำอันนี้เนี่ยไม่ดีเนะะี่ยขายยาเสพติดแล้วเนี่ยผลคือรวยนะครับแต่การทำอันนี้เนี่ยถึงแม้จะทำกรรมไม่ดีเนี่ยนะครับแต่มันเป็นประโยคนาคะอย่างหนึ่งเธอต้อง เดี๋ยวขอชี้แจงนิดหนึ่งนะตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าบางท่านกขาบอกว่าเหตุดีผลต้องดีใช่ไหมเราเคยได้ยินอย่างนี้ใช่ไหมเหตุดีผลต้องดีทีนี้ยมผู้การที่กล่าวเมื่อกี้ว่าอา้าวแต่ค้ายาเสพติดเนี่ยถือว่าเป็นอกุศลเจตนาใช่ไหมทําไมทําให้รวยได้อ่ ะ, อะเราต้องเข้าใจว่าถ้านานักขาคณิก ก, กรรมมะปรัจใจกุศลให้ผลเป็นความสุขแน่แต่ถ้าโดยปรตูปะนิสยาปัจจัย ภกุศลก็เป็นปัจจัยให้วิบากที่ดีเกิดได้เอางี้นะถ้าจะมามีโลภะจิตยกขึ้นมาดื่มดื่มได้ไหมอันการยกนี่ถือว่าเป็นประตูที่สําคัญมากต่อการดื่มแต่ว่าเหตุดีผลต้องดีถามว่าขัดกับที่สเสดีย์นี้ไหมถ้าโดยนานาขัดที่นิจ ก, กรรมอย่างหนึง่งโดยประตูปะนิสยะปัจจัยนี่อย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นอย่างที่โยมผู้การกล่าวนั้นจึงไม่ขัดเพราะเป็นโดย ปัจจโตปะเญชยาปัจจัยอ่ามาฟังทีนะตอนนี้น ะ, ะเดี๋ยวจะไปบอกไปบอกเอ้ที่นี่สารธรมาไปขายยาเสพติดรวยเล ย, ย น, นะนะอันนี้ทํากรรมไม่ดีคขายาเสพติดแต่รวยขึ้นมานะครับจริงๆแล้วผลของเ้าเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นปัจจุโตปัญชยาปัจจัยนั้นทำให้รวยทําให้มีเงินนะครับแต่ผลจริงๆอันนี้แล้วเนี่ยเขาจะให้ผลในปัจจุบันไหมเพราะน้อยมากใช่ไหมที่เราตกลงกันแล้วว่ามันน้อยอ่ะ ที่จะให้ผลในปัจจุบันชาเนี่ยมันไม่ใช่ทิฏฐธรรมมันไม่ใช่ขลุกรรมมันให้ผลในชาเนี่ยน้อยแต่มันจะไปให้ผลในชายทหน้านูนใช่ไหมไปรอเราแล้วคือว่าจะต้องไปตงนรกแล้วใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไปรอเราแล้วไม่ใช่ไม่มีผลนะแต่ว่าจากผลอันนี้เนี่ยนะจากผลอันนี้เนี่ยแล้วทําให้เขารวยเนี่ยถามว่าไอ้ความร่ํารวยเนี่ยนะมาจากกรรมดีนะที่ทำไว้ในอดีตเนี่ยบังเอิญเลยนี่เปิดประตูรับ เนี่ยนะเปิดประตูรับทาให้เราได้รับผลดีเพราะว่าเราเนี่ยทำดีแล้ชั่วเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยมันพร้อมที่จะให้มันพร้อมที่จะให้ผลอะถ้าอันนี้บางทีสิ่งแวดล้อมนี้ให้ปั๊บมันให้ผลก่อนเลยเพราะฉะนั้นอย่าลงว่าขายยาเจ็ติดแล้วรวยเป็นผลของกรรมกรรมชั่วนะครับนี่เป็นเพียงแต่ว่าปักแสดงถึงป่าความเป็นประตูปณัชญาปัจจัยเนี่ยจากไม่ดีเนี่ยแล้วมาให้ผลดีเนี่ยนี่แสดงถึงว่าประตูให้ทําดีได้ดีด้วยทําไม่ดีได้ไม่ดีด้วย หรือทำแล้วได้อภิญากตาก็ได้ไ ห, หรือว่าทําดีแล้วเป็นปัจจัยให้ทําชั่วก็ได้ใช่ไหมวันนี้มาเรียนกุศลมาเรียนธรรมะกุศลแลจิตเกิดใช่ไหมกลับไปเนี่ย โ, โหไปลืมบางอย่างเสร็จแล้วก็นึกตำหนิหรือว่าไปเสียใจแม่ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่น่ามาเรียนธรรมะเลยถ้าเราไม่มาเรียนธรรมะนั่งงานอันนั้นไม่เสียเลยอย่างนี้ก็เป็นกุศลเป็นประตูให้เกิดอกุศล หรือว่าอกุศลก็เป็นประตูป่านิสยาัจจัยให้เกิดกุศลอย่างเช่นอ่าพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยพรือเขาเป็นนายอำเภอนะเป็นคล้ายๆเป็นเจ้าเมืองอะ่ะทีนี้พวกคนในเมืองก็มาปรึกษาว่าจะทํางานนักขั์ทีนี้มันจะต้องมีการดื่มสุราก็ไปให้ในายเมืองเนี่ยเจ้าเจ้าเมืองเนี่ยเซ็นเจ้าเมืองก็ก็เลยเซ็นให้ตอนหลังมาพิจารณาดูศีลของตัวเองเออเรามีส่วนด้วยนะก็เลยสังเวชสลดใจมากในขณะนั้นเป็นพระอรหัน์เลย ดันัไอ้ถ้าหากว่าไม่ไม่ได้สั่งอันนั้นคงไม่มีอุปนิสัยที่สําคัญกระตุ้นให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยการพิจนารณาเรื่องตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้การอกุศลอันนั้นถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญมากต่อการบรรลุธรรมนั่นแหละต่อการที่กุศลจิตจะเกิดอ การที่พูดว่าทากรรมอะไรไว้แล้วต้องได้อย่างนั้นเนี่ยนะหรือว่าปล่ยไปตามเวรตามกรรมเถอะเออมันจะติดคุกก็ปล่อยมันติดมันจะได้ใช้นี่เอ้กันหมดทัทีเข้าไปนอนในคุกสักห้าปีมันจะได้หมดนี่นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะกรรมในอดีตทำชั่วไว้เยอะเนี่ยนะผลมันเยอะเนี่ยเราใช้เท่าไหร่ก็ไม่นี้หมดแล้วครับเลยไม่มีโอกาสมาบาเพ็ญกุศลนะครับอยู่ในคุกนั่นนะตลอดนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตจึงไม่ควรปล่อยไปตามเวรตามกรรมเพราะกรรมอัปกรรมของผู้ทีเจ้าเนี่ยนะกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ไม่ขอโทษไม่ซิมเปิลอย่างที่เราคิดเลยมัน มันมีเหตุมีผลแล้วมันสลับซับซ้อนที่ที่น่าคิดถ้าคนไม่ศึกษาอะไรนะอ๋อใช่ไหมหน่อยนะนะนะเพรา ะ, ะ, ะ, ะ, ะฉะนั้นการการให้ผลองการเนี่ยจึงสลับซับซ้อนแล้วก็มีเหตุผลอย่างนี้นี่ยนะครับไม่ง่ายๆอย่างที่เราคิดเลย<อ>นะครับพระพุทธเจ้าท่านตัดไปเลยนะในในเ น, น, น, น, น, นี่ยในพรสูตรเนี้ยพระสูตรเนี่นะฮะท่านตัดไปเลยนะท่านบอกว่าถ้าในอดีตเราทําทํากรรมดีมาเยอะเลยนะแต่ตอนท้ายเนี่ย เราทำคำชั่วนิดเดียวเนี่ยท่านบอกไม่ต้องห่วงหรอกมันเหมือนกับไอ้เกลือละลายโดยแม่น้ําคงคามันม่มีผลเลยอ่ะแต่ถ้าถามว่าโอ้โหแต่ก่อนนี้ทําชั่วไว้เยอะเลยนาะตอนจะตายทําดีนิดเดียวเนี่ยนะท่านบอกว่าเหมือนเอาเกลือไปใส่ในถ้วยมันเข็มแมน่นะท่านท่านปรีไว้หลายอย่างนะครับปะท่านหายเหนื่อยยังครับอากุศลหรือกุศลจะให้ผลเนี่ย ปัจจัยที่ปัจจัยเนี่ยมีหลายปัจจัยใช่ไหม <c oughs> คือปัจจัยที่จะให้วิบากให้ผลนั้นเนี่ยเรื่องของประโยค่านั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกว้างแต่ถ้าหากว่าอากุศลมันมีกําลังแรงมันก็ทำให้ประโยค้คาวิบัติแหละถ้าอากุศลมันมีกําลังจริงๆเลยนะก็บอกว่าพยาแรงเนี่ยสายตาสามม่อสามารถที่จะมองดูได้เป็นยศๆหลายๆยศแต่ถ้าอากุศลกรรมมีกาลังเนี่ยแรงก็ยังติดบ่วง เพราะคนที่ทํากรรมไว้หนักเนี่ยจะทําให้คิดวิบัตินั่นแหละอะ ไ, ไม่น่าไม่น่าจะคิดอย่างนั้นก็สมมติว่าอยู่ๆเนี่ยลุกขึ้นไปให้รถชนตายเฉยเลยอย่างเงี้ยจะไหมถ้าอากุศลมันแรงปุ๊บเนี่ยมันทําให้ความคิดวิบัติเสร็จแล้วก็ไปให้รถชนตายเฉยเฉอย่างนั้นแหะหรือว่าบางคนเนี่ยน ะ, ะถ้าอากุศลกรรมในอดีตมีกําลังแรงอย่างพระสมัยก่อนเนี่ยท่านกําลังเจริญกรรมฐานอยู่ดีๆเนี่ยท่านคิดฆ่าตัวตายอ่ะเสร็จแล้วท่านก็ฆ่าตัวตาย ถามว่าขณะที่ทํากุศลเนี่ยเป็นเป็นเป็นปัจจัยให้ท่านฆ่าตัวตายไหมเป็นแต่เป็นโดยปกะตูตานิสยปัจจยัยเพราะว่าอากุศลในอดีตเนี่ยมีกําลังทําให้ท่านคิดแบบนั้นคิดสั้นเสร็จแล้วท่านก็ฆ่าตัวตายเพราะนั้นตามปัจจัยเนี่ยมีตั้งเก้าชา ด, ด้วยกันเพราะนั้นตรงนี้เรากล่าวมาแปดชาติให้เห็นนะที่เหลือนั่นแหละเป็นปกะตูตานิสยะปัจจัยทั้งหมดเลยนั่นแหละ ต่อชีวิตของเราอย่างเช่นยกตัวอย่างนะดูเอกสารที่แจกไตนะ่นอะดูหน้าสี่เลยหน้าสี่อย่างเช่นตามจาทวาราวัชนะจิตเกิดขึ้นนั้นอ่ะมีปัจจัยทําให้เกิดตั้งสี่สิบเก้าปัจจัยอ่ะ น, นะนี่นี่เราเรียนแบบชาติแล้วเราสามารถที่จะมาสงเคราะห์วิถีจิตลงในวิถีจิตโดยชาบของปัจจัยในหน้าสี่นี้ข้างบนนั้นอ่ะ พูดถึงปัจจัยและปัจจยุบันของปัญจทวารวชนะจิตอย่างยกตัวอย่างในวิถีจิตเนี่ยนะทางปัญจทวารวิถีประกอบไปด้วยอย่างเช่นผวังอตีตะวังภวังขจารนะนนูนี่เป็นตัวย่อของภวังขจารณะภวังคู่ปเชทะแล้วก็ภวังคู่ปเชทะปัญจทวารวชนะ ตัวปัญจทวาราวัชนะเนี่ยต้องการให้รู้ว่ามันความเด่นของเขาเราต้องการพูดถึงปัญจทวาราวัชนะว่าปัญจทวาราวัชนะเนี่ยเป็นปัจจัยและเป็นปัจจยุบันอะไรได้บ้างนะตัวตัวขายก็คือท่านเน้นให้เป็นตัวดำหนาเลยเสร็จแล้วปัญจทวาราวัชนะดับไปก็ทำให้เกิดจักคูวิญ ญ, ญาณจักคูวิญญาณดับไปสัมปติชนจิต ก, ก็รับอารมณ์ต่อสัมปติชนจิตรับดับไปแล้วก็ทาให้เกิดสันติรณจิต ปันตูรหน้าดับไปชาวนะจิตก็จะเกิดเออเวทภะนาจิตเวทภะนาจิตดับไปชาวนะจิตจะเกิดซ้ํากันอย่างเงี้เจ็ดครั้งชาวนะจิตทั้งเจ็ดคั้งดับไปเลยแต่ธารมณจิตก็เกิดสองครั้งแต่ทารมานาจิตดับไปภาวนาจิตก็ก็เกิดขึ้นทีนี้เราก็ยกมาข้างล่างข้างล่างเห็นไหมปัญจทวาราวชณะจิตมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่หนึ่งบวกสิบสิบตัวนั้นเป็น ปัญหาทวาราวัชนะเขาไม่มีเอกสารบั่งไม่มีเอกสารบั่งมามารับแจกเลยอเห็นไหมเห็นนะอ่รอารับเอกสารก่อนใครที่ยังไม่มีก็ก็รับไปเสร็จแล้วพระประธานมนจิตบับไปแล้พวพลังขจิตก็เกิดแล้วก็สืบเนื่องไปชีวิตก็จิตเกิดบับสืบเนื่องกันไปอย่างนี้แหละทีนี้เรา มาพิจารณาว่าตังจัทธวาราวัชนาจิตกลมๆกลางๆเนี่ยใช่ไหมมองเห็นไหมปังจัทวาราวัชนาจิตนั้นเกิดขึ้นจะต้องมีตามสูตรก็จะต้องอาศัยวัถุใช่ไหมวัตถุตรงนที่อาศัยเกิดของตังจัทธวาราวัชนาจิตเรียกว่าหาทยะวัถุตังจัทธวาราวัชนาจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์อารมณ์ของตังจัทธวาราวัชนาจิตเนี่ยเราพูดถึงทางตา นันอารมณ์ของเขาต้องเป็นรูปารมทีนี้ตัวปัญจทวาราวัชนะจิตเองนั้นเนี่ยจิตดวงก่อนที่เป็นปัจจัยแก่ปัญจทวาราวัชนะจิตก็ได้แก่ภวังคู่ปัจเฉทะตัวเลขใหญ่ๆกลมๆนั้นน่ะที่มีตัวเลขตัวหนาๆเนี่ยบ่งให้รู้ว่าชาติของปัจจัยนี่เราพูดเป็นกล่มเลยนะ เช่นพวังคู่เฉยถ้าเป็นปัจจัยแก่ปัญจทวาราวัชนะเนี่ยได้ด้วยอำนาจอนันตระปัจจัยแปลว่าพวังดวงนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเลยปับจปัญจทวาราวัชนะหรือสมณันตระปัจจัยแปลว่าเสื่เมเื่องกันโไม่มีอะไรขั้นด้วยดี แล้วก็เป็นอนันตูปนิสยัยถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญมากที่ไม่มีระหว่างแห่งการเกิดขึ้นของปัญจพวาราวชนะแล้วก็พลังพลังคู่ประเชษฐาต้องนัตถิต้องหมดไปแล้วนัตถิแปล ว, ว่าไม่มีแล้ววิากาศแปล ว, ว่าปราดไปแล้วหมดไปแล้วเป็นปัจจัยในที่เดียวกันนี่แหละเป็นปัจจัยแก่ปัญจพวาราวัชนะจิตได้ห้าปัจจัยในห้าปัจจัยอันเรามองโดยชาติปุ๊บไม่ยากเท่าไหร่ เซลล์ปังจกทวาราวัชนะจิตนะจิตดวงก่อนเนี่ยเป็นปัจจัยโดยอนันตระชาติปังจกทวาราวัชนจิตเป็นเกิดขึ้นต้องอาศัยหาทยาวถุหาทยวตถุเป็นปัจจัยเก่ตัปังจาตวาราวัชนจิตไดจจ้ห้าปัจจยัยลูกศรข้างล่างอ่ะห้าปัจจัยหาทยาวัตถุนั้นต้องเกิดก่อนปังจกตวาราวัชนะเรียกว่าวัตถุปเรชาตะนิสยะปัจจยัยนะ เป็นวัตถุด้วยเกิดก่อนด้วยเป็นที่อาศัยด้วยเรียกว่าวัตถุปุเรชาตะนิสยาปัจจัยวัตถุนั้นต้องเกิดก่อนเรียว่าวัตถุปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตะวิปยุติปัจจัยหมายถึง <investigator> ว่าเป็นวัตถุด้วยเกิดก่อนด้วยแต่ไม่ประกอบกันเพราะว่ารูปกับนามไม่สัมปยุต์กันไม่ประกอบกันอยู่แล้วและเป็นวัต ถ, ถุด้วยเกิดก่อนด้วยแต่ อคเทนี้แปลว่ามีอยู่ตัววัตถุนี้ต้องมีอยู่แล้วก็เป็นวัตถุด้วยเกิดก่อนด้วยยังไม่ปราบไปอวิคตาแปลว่ายังไม่ปราศจากไปทีนี้ในตังจาตถวาราวชนจิตนี้สัมปยุติธรรมคือเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดมีสิบดวงเจตสิกที่ประกอบก็คือสภากิตาสาธารณะเจตสิเกเจ็ดผัสสะเวทนาสัญญาเจตนา เอกขตาชีวิตติมซีวิโตกวิจารและอธิโมกรวมเป็นสิบดวงเพราะฉะนั้นจิตเจดสิทธิ์ที่เป็นปัจจัยแก่กันและกันในที่นั้นเนี่ยได้สิบปัจจัยสิบปัจจัยเช่นจิตเป็นปัจจัยแก่เจดสิทิหรือเจดสิทธิ์ด้วยอำนาจสหาชาติปัจจัยแล้วก็เกิดร่วมกันเนี่ยสหาชาติเกิดร่วมกันสหาชาตินิสยะเกิดร่วมกันด้วยเป็นที่ อาศาัยด้วยสหาชาตะวิคตะเรียกว่าเกิดเรื่องกานแต่ไม่ตาดไปสีปัจจัยข้างบนนี้เรียกว่าสหาชาตะชาติใหญ่เรืยอสี่ปัจจัยแบงข้างไม่เห็นนะใครไม่ทันั่นอ่ า, อาไม่ทนก็ดูกรรมพุกันก็แล้วกัน สหาชาติชาติกลางก็คืออัญญะมัญญะจิตเทวสิกย์ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสัมปยุติปปัจจัยนั่นแหละต่อไปข้างล่างสามปัจจัยไอสีปัจจัยแรกเป็นสหาชาติชาติและก็คือสหาชาตรรริรำเจตนาที่เกิดเริ่วมกันก็เป็นสหาชาตรกรรมภาษะเวภาษะเทวศิกเจตนาเทวสิกแล้วก็จิตวิญญาณปัจจทวารเราใช้จิตเองก็เป็นนามอาหารปัจจัยจิต กับเวทนาเอกคตาก็เป็นอินเสียปัจใจหรือว่าสหาชาตินริยะิโตก็เป็นชาณะปัจจัยเนี่ยในจิตเจริญสิ่งตัวร่วมกันพร้อมกันในขณะนั้นได้สิบปัจจัยในจิตดวงนั้นเกิดขึ้นในเฉพาะตัวของเขาเองปัญจทวาราวัชนจิตเนี่ยทาจิตแตชรลปด้วยปัญจทวาราวัชนจิตก็ถือว่าทําให้เกิดจิตแตชรลปสามัญเช่ น, ชนเช่นไร ชิปรจรย์ต้นเป็นต้นนะมีถือว่ามีความสําคัญต่อเลือดลมในในตัวมากเรื่องหน้าต้าปัจจัยนะสหาชาติชาติใหญ่สี่ปัจจัยก็คือสหาชาตะนิสยะอาัตถิและอวิคตะสหาชาติกลางหนึ่งปัจจัยก็คือวิทยุปัจจัยเพราะไม่ประกอบพร้อมกันแล้วก็สหาชาติชาติเล็กอีกสี่ปัจจัยก็คือกรมมะปัจจัยอาหารปัจจัยอินทรียาปัจจัยแล้วก็ชานะปัจจัย เพราะฉะนั้นจิต ด, ดวงนั้นเป็นปัจจัยแก่จิตประชรูปได้เก้าปัจจัยจิตนั้นเก่ขึ้นต้องรู้อารมณ์ใช่ไหมอารมณ์เป็นปัจจัยแก่แต่ปัญจทวาราวัชนะจิตได้สี่ปัจจัยเพราะว่าปัญจทาาวาราวัชนะจิตนั้นอารมณ์ของเขาต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์นั้นก็เลยได้อารมณะอารมณปุเรชาตะอารมณ์นั้นเนี่ยเกิดก่อนเรียกว่าอารมณปุเรชาตะ อารมณ์นั้นยังไม่หมดตายเรียกว่าอารามณปุเรชาติทิอารมณ์นั้นยังไม่ปราศจากตายเรียกว่าอารัมมณปุเรชาต์อะะวิค ต, ตะปัจจัยเพราะฉะนั้นรูปอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ปัญจทวาราวชนาจิตได้สี่ปัจจัยเราขึ้นในหน่อยปัญจทวาราวชนาจิตตัวนั้นเนี่ยมีประตูปานิสยะปัจจัยปกะตูข้องเข้ากว้างเช่น ชาวนะจิตกอกๆวิถีจิตกอกๆ น, นื่นก็ถือว่าเป็นปกตูป่านิสยาปัจจดใจกอนแก่ปัญจทวาราวัชนาจิตหรือว่าธรรมะอื่นๆส่วนที่เป็นอัพยกรตธรรมเช่นรูปอื่นๆก็ถือว่าเป็นปกตูป่านิสยาปัจจดใจแก่ปัญจทวาราวัชนาจิตด้ดวยนี่เราจะเห็นว่าแม้แต่ภวังคจิตก่อกๆหรือ ปฏิสนธิจิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อปัญจทวาราวาทนาจิตถ้าปฏิสนธิจิตไม่เกิดจิตดวงนี้จะเกิดไหมไม่เกิดเพราะนั้นปฏิสนธิจิตก็ถือว่าเป็นประตูที่สําคัญต่อดวงนี้มากจิตดวงนี้เกิดขึ้นนะยังเป็นปัจจัยแก่หภัยวัตถุด้วยเป็นปัจจัยได้สี่ปัจจยัยก็คือตัดชาชาตชาตันนั่นเองอแสดงว่าจิตนี้เกิดทีหลัง หทายวัตถุนั้นเกิดก่อนเจตที่เกิดที่หลังเป็นปัจจัยแก่หาทายวัตถุนั้นได้สี่ปัจจัยคือปัจฉาชาต่ปัจจัยปัจฉาด้วยเกิดหลังด้วยแต่ไม่ประกอบกันกับรูปและก็อัิยังมีอยู่อวิคตะยังไม่ปราศจากไปแสดงว่าเป็นปัจจัยในชั่วปัจจุบันในขณะนั้นเท่านั้นเองแล้วหาทายวัตถุเข้าเกิดขึ้นนะจะต้องมีมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยให้เข้าเกิด มหาภูตรูปสี่นั้นเป็นปัจจัยสี่ปัจจัยคือสหาชาตะสหาชาตนิสยะสหาชาติติสหาชาตาวิขตะบ่งถึงความเป็นปัจจุบันว่ามหาภูตรูปในขณะนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยแก่หัตยวัตถุที่สำคัญมากทีนี้โอชารูปโอชาที่เกิดพร้อมกันกันกบหัยวัตถุเนี่ยเป็นปัจจัยแก่รูปในกราบเดียวกันสามปัจจัยคือ รูปอาหารปัจจัยรูปอาหารอาหารอิก็คืออาหารที่เป็นอธิปแปลว่ายังมีอยู่อาหารอาวิขตะยังไม่ปราศจากไปแสดงว่าในกราบเดียวกันนั่นเองแล้วก็รูปชีวิตอินทรีย์นี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญมากต่อการเกิดขึ้นของหาทายวัตถุอินทรีย์นั้นเป็นปัจจัยโดยรูปชีวิตตินริยปัจจัยอินรีย์ตัวนั้นเป็นปัจจุบันเรียกว่าอินทริยติ อินทรีย์ดวงนั้นยังไม่ปดไม่หมดไปเรียกว่าอาวิคตะนั่นแหละและหาทายวัตถุนั้นเป็นกรรมไมชรูปมาจากนา น, านักขัคณิก ร, รํมในอดีตนั่นแหละอ่านะพอใครตามไม่ทันบ้างและหาทายวัตถุนั้นเป็นกรร ม, มชรูปมาจากนานักขัคณนิ ก, ก ร, รํมในอดีตนั่นแหละอ่าะนะ พอใครตามไม่ทันบ้างง่ายๆก็คือตัวเลขใหญ่ๆที่ในวงกลมนั้นน่ะให้เห็นว่าเป็นกลุ่มนี่เราเรียนนะถ้าเราเรียนโดยชาติมาแล้วเราจะมองพวกนี้ออกเรียกว่ามองเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มถ้ามาเรียนเฉพาะปัจจัยเดียวปัจจัยเดียวเนี่ยนะมันเอ๊ะ ม, มันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเรามาใช้ได้ยังไงแต่ถ้าเราเรียนเป็นกลุ่มปุ๊บเราจะมองเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเก้าชาติแล้วสบาย พราะในนี้ไม่เกินเก้าชาติอาณาเห็นไหมสหชาติชาติชาติเห็นไหมเลขสิบตัวใหญ่ๆเห็นนะสหชาติชาติคือเลขเก้าเลขสิบตัวใหญ่ใหญ่ข้างล่างอ่ะนั้นบ่งถึงความเป็นสหชาตชาติชาติที่ที่เก่าเรื่องเกี่ยวกับสหชาติชาติเนี่ยเราจะนึกนึกถึงว่าเอนามเป็นปัจจัยให้เกิดนามเพราะว่านี้มันเป็นเนี่ยมันจะเป็นสหชาติชาตชาติคือเกิดพร้อมกัน เราก็นึกถึงว่าสัมปยุต ธ, ธรรมที่เกิดอ่จาจัทธวารวชนะจิตเนี่ยก็ได้แก่เจตสิกที่เกิดพร้อมกับจิตดวงนี้นะคะทีนี้จิตดวงนี้ประกอบด้วยเจตสิกเท่าไหร่นะคะสิบดวงใช่ไหมคะคือสภาพจิตตะสาธารณะเจ็ดดวงแล้วก็วิตกวิจารอธิโมกนะคะเอาแล้วว่าไปเะครทีนี้สําหรับ อ, อที่ว่าเกี่ยวกับปัญจท ว, วาระวชนะจิตนี่เป็นเอ อ, อะไรอัอนนะอธิโมกแล้ อาทิมโมกค่ะอะไ ร, ะไรวิตกวิจารนออ่ะอาทิโมกเอหมือนสิบละแล้วลประจิตหนึ่งดวงเนาะอันนี้คือเกิดพร้อมกันกับเจรสิกเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสหาชาตปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะที่มันเป็นสหาชาติัาปจัยมันเป็นยังไงครับอธ้ชัดหน่อยอสหาชาตปัจจัยก็คือปัจจัยและปัจจัยยุบันเกิดพร้อมกันนะคะและเจรศิกเกิดพร้อมกันมันเกิดพร้อมกันหมดเลยอะ เกิพร้อมกันขณะเดียวกันซึ่งซึ่งสหชาติชาติที่พระอาจารย์จะแยกไปมันจะมีสามกลุ่มใช่ไหมคะคือกลุ่มใหญ่นี่จะออกจะแบ่งออกเป็นว่าเป็นสหชาตะอาสหชาติใหญ่นะคะครับอาสหชาตะสหชาตินิดแล้วก็สหชาติตรสหชาตาวิคตะนี่คือกลุ่มใหญ่ซึ่งถ้าถ้านำน้ำเป็นปัจจัยแก่น้ำเนี่ยสหชาตัตระใหญ่นี่จะเข้ากันได้หมดคือหมายความว่าจิตและเจตสิกเนี่ยมันจะเกิดพร้อมกันและเป็นที่อาศัยเกิดของกันและกัน แล้วก็จิตยังมีอยู่เจตสิกก็ยังมีอยู่อจิตยังไม่ปราศจากไปเจตสิกก็ยังไม่ปราศจากไปคืออันนี้เป็นเป็นสหาชาติปัจจยัยชาติใหญ่ที่เกิดพร้อมกันนะคะแล้วอัศลุว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะทั้งเจตสิกและจิตเนี่ยเขาเกิดพร้อมกันนี่เป็นสาชาติแล้วสชาติาต j, แล้ว อ, นน<า>อันนี้ชาติใหญ่อันที่หนึ่งคือสาชาตานิสยามันเป็นยังไงครับนิสยา ก, ก็คือหมายความว่าจิตเป็นที่อาศัยเกิดกับเจตสิกและเจตสิกก็เป็นที่อาศัยเกิดกับจิตหมายความว่าวงกลมใหญ่เนี่ยมัน มันมันมีวงกลมเล็กไปอาศัยเกิดค่ะแล้วก็วงกลมเล็กนี่ก็อาศัยวงกลมใหญ่เกิดต้องเกิดพร้อมกันแล้วก็ไอ้เล็กๆนี่มันก็อาศัยด้วยกันด้วยค่โอเคนะนี่จึงชื่อว่าสหชาตะนิสัยะปัจจัยค่ะโอเคแล้วก็คือติตดวงนี้ยังมีอยู่เจตสิรก็ยังคงมีอยู่ในพร้อมเกิดพร้อมกันและยังไม่ปัจจัยจากไปถ้าดับก็ดับพร้อมกันเกิดก็เกิดพร้อมกันนะคะอันนี้เป็นสหชาติใหญ่สี่อัน เ อ, auto, เอาเอาเอาละเอียดไปเลยในในตัวไหมเน่ยซีเนี่ยซินน่นและชาชาตานิสัย yeah. แล้วก็สาชาตะตัดทีเป็นยังไงครับอัธีก็คือสหชาตะบวกอัธอคือเป็นสหชาตะคือเกิดพร้อมกันแล้วก็ยังมีอยู <S <S> <S ่ด้วยอ่าคืออย่างนี้นะคือว่าตัวไหนตัวหนึ่งแอบไปเที่ยวไม่ได้นะมันต้องอยู่พร้อมกันนะมันถึงจะเกิดพร้อมอย่างนี้ถ้าตัวใดตัวหนึ่งนีเที่ยวไม่ได้แปลว่ามันยังอยู่นะเนี่ยเขาว่าตัดทีมีตัวตนอยู่อย่างนี้นะถ้าไม่มีตัวใดตัวหนึ่งไอ้ตัวนี้พังหมดเลยเท่านั้นเอง มาสหชาตะบวกอทิสมากันสนที่สนที่มั้งอัตตาเป็นตัวอัตตาปีตัวโอเคต่องนะใครไม่เข้าใจมั้งตอนนี้ส่วนสหชาตะอวิคตะก็หมายหมายถึงว่าเป็นสหชาตะแล้วก็อวิคตะสหชาติก็คือเกิดพร้อมกันอวิคตะาคือยังไม่ปัาศจากไปไม่หายไปก่อนหรือว่ามันต้องมีอยู่ก็เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันตะกี้อันนี้เป็นชาติใหญ่นะคะสี่ชาติได้พร้อม ทีนีชาติกลางชากลางนี่ปกติมันจะมีสี่คืออัญญามัญญะสมัติยุทธวิประยุทธ์แล้วก็วิบากแต่สําหรับในกรณีนี้กรณีนี้นะคะเข้าได้เพียงสองอันคืออัญญามัญญะกับสมัติยุทธเปนีงไง้ไรกับอัญญามัญญะอัญญมัญญะก็หมายความว่าปัจจัยและปัจจ ย, ยุบันเนี่ยมันตัวเหตุาากับตัวผลเนี่ยตัวเหตุกับตัวผลเนี่ยเนาะเปยังไงเป็นซึ่งกันและกันมันคือตัวการมันเป็นการสายการและกันซึ่งกันและกันเนาะคือทางจิตและเจิตสิทและ เจตสิกด้วกันด้วยมันต้องพึ่งกันเท่านั้นเองมันเกิดร่วมกันแล้วก็มันมีนิสัยดีอ่ะมันพึ่งกันไปพึ่งกันมาอ่ามันจะขาดกันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะทั้งตัวจิตนี้ทั้งหมดนี้ก็พึ่งในเจตสิกเหล่านี้ไอเจตสิกเหล่านี้ก็ต้องต้องพึ่งในจิตดวงนี้แล้วตัวนี้ก็พึ่งไอตัวนี้ไอตัวนี้ก็พึ่งตัวนี้โอ้มันรักกันมากตัวนี้พึ่งง่ายมากเลยอาจารย์เอาสบายสัมพยนะคะตัมพยุตนี้แปลว่าประกอบ ก็จิตเเจดสิกนี้ประกอบในจิตก็เหมือนกันน่ะยิ่ง่ายอย่างเลยใช่ไหมมันสามประยุทกันน่ะโอ้โหนี่มันโนเดียวกันเลยอ่ะเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีลงพร้อมกันเลนี่เรือามประยุทน่ะนั่นน่ะนะไอจิตเกิดไอตัวนี้ต้อเกิดไอจิตดับไอตัวนี้ต้อดับนี่เรื่องสุพรรจริงจเลยใช่ไหมไอจิตนี่เห็นไอตัวนี้ต้องเห็นไอจิตต้องนี้คิดไอตัวนี้ต้องคิดไงไอจิตตองนึกเกิดไอพวกนี้เกิดตามก็เหมือนกันนั่นแหละ ไม่ขัดแย้งกันจึงเรียกว่าเป็นสามพยุตใช่ไหมถ้าหากว่าใครขัดแย้งตัวใดตัวหนึ่งนะอันนี้เกิดไม่ได้เกิดไม่ได้ใช่ไหมทัานั้นเองหมูทานนะคะชาตกลางทานนะคะ <laughs> ต่อไปสหาชาตะชาติเล็กชาติเล็กในความจริงปกติแล้วจะมีเท่าไหร่คะเจ็ดใช่ไหมคะเนธิกางหาอินชา ม, มากักแต่สําหรับในกรณีนี้กรณีนี้มีมีแค่ได้ได้สี่อันก็คือ เจตนานี้เจตนานี้เป็นกรรมเอเป็นกรรมนะคะเจตนาถือเป็นกรรมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นสหชาตะด้วยแล้วก็เป็นกรรมด้วยสหชาติกรรมเนี่ยอันนี้เขาเรียกสหชาติกรรมสบายมากเลยเพราะเจตนาตัวไหนๆแล้วก็เป็นเป็นกรรมหมดนะแต่ว่าไอ้กรรมนี้มันบังเอิญมาเกิดพร้อมกันนี่หมดเนี่ยมันให้ผลพร้อมกันเนี่ยมันให้ผลตรงนี้มันเกิดตรงนี้ให้ผลตรงนี้เลยเนี่ยคือมาเกิดตรงนี้ไม่ให้ผลตรงนี้เลยเนี่ยจึงชื่อว่ากรรม ถ้าสหชาตกรรมเจตนานี้จะหมายถึงกรรมนะคะทีนี้ต่อไปเรื่องอาหารนามอาหารนามอาหารนี้ปกติแล้วองค์ธรรมก็คืออะไรคะผัดสะนามอาหารนี้มีผัดสะผัดสะอาหารผัดสะอาหารมโนสันเจตนาอาหารผัญาณอาหารแล้วอะไรฮะอ่าอ่าวิญญาณเขาเรียกก็พลีก็อะไรมโนมโนเจตนามโนอามอาหารใช่ไหมค่ะมโนสันเจตนาอาหารค่ะแล้วอะไรครับวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารเออ อันนี้เป็นภัตตาวิญญาณอาหารตัวนี้จะกับภัตตาเจตสิกภัาภัตตาจะถือเป็นนามอาหารแล้วตัวนี้อะไรแล้วก็เจตนาเจตนาเป็นนามอาหารตัวนี้เจตนาเจตสิกอแล้วก็จิตโดยตัวตัวนี้ก็เป็นวิญญาณอาหารน่นเพราะฉะนั้นอันนี้ได้นามอาหารปัจจัยเพราะฉะนั้นหมดนี้เนี่ยนะถามว่านามอาหารอยู่ตรงไหนเมือภัตตะมันหีเปล่าเนี่ยนี่ในงานภัตตาใช่ไหเนี่ยนะจึงชื่อว่าภัตตาหาร ต่อไปมนโนแสงเจนามีเจนาณาไหมมีมนี่อยู่นี่วิญญาณอาหารมีไหมมีหมดนี่เรียกเป็นรวมนี่แหละเป็นวิญญาณอาหาร ห, หมูมา <laughs> เป็นนามะอาหารพิจารว่าถ้าไม่มีอาหารนี้อยู่ได้ไห ม, ไมไคนตายเลยไม่มีชีวิตยอยู่ได้เพราะนั่นจึงเป็นปัจจัยสําคัญถ้าไม่มีภาษานะเราอยู่ไม่ได้ไไดเลยถ้าไม่มีภาษานะเราอาจจะนิพพานก็ได้นะเอาเฉพาะดูดีกว่าน่ะ ถ้าไม่มีพระตาณะไอ้ไม่เกิดไม่ได้หมดเลยนะแสดงว่ามันสาคัญนะนี่เพราะมันสันเจตนาถ้ามันมีเจตนาตัวนี้ก็ไอ้ตัวนี้ก็มีไม่ได้เหมือนกันเสียบร้อเหมือนกันวินญาตถ้าไม่มีนี่นะลุงน้องนี้ไม่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไอ้เหล่านี้เนี่ยมันป้อนอาหารให้กับไอ้นี้ว่าไรต่อไปเรื่องสหชาติตินทริยะอันนี้ก็คือสหชาติบวกอินซียนะคะออินทรีย์ที่เกิดนำอินทรีย์ที่เกิดทลอดกัน อ้าอินซีอะไร้าครับอินซีถ้าจากดวงนี้นะคะเราก็ดูอินซีทั้งหมดก่อนอ้าอินีทั้งหมดมันเยอะเาดเอาเอันเน้น่อันนี้อันนี้ถ้าจากดวงนี้ก็มีเวทนาเวทนาค่ะสำหรับดวงนี้เป็นเวทินตรีใช่ไหมเวทนตรีไหมไม่มีมีอะไรอ่ะอันนี้ดวงนี้เป็นอะไรคะอุเบกขาอุเบกขาอุเบกขินรีอุเบกขินีเนาะม่บุกมงรู้ก็ไม่ได้อุเบกแล้วก็อินรี อันนี้เป็นอะไรคะนามชีวิตจินสีอ่าชีวิตจินซีมีสองตัวท่นั่นเหรอสมาชิกอาคาตาสมาร์ทีมซีสมาร์ทีมซีเอ่ออาว่าไปอาว่าไปดิพอแล้วค่ะเนี่ยเกิดพร้อมกันทําไมทําไมจิตจิตจิตมันนินซีอมันนินซีเอ่อตกตกลมันมีเยอะค่ะแล้วแล้วแล้วแต่จิตแต่ละดวงถามว่าทําไมจิงบอกว่าไอ้เนี้ยมันเป็นปัจจัย บางเออในพวกนี้เนี่ยมันมีอธิบดีอยู่ด้วยมันมีท่านอธิบดีมาอยู่ด้วยอ่ะอมันใหญ่เอาใหญ่เลยกันเนาะเอาเป็นใหญ่อ่ะมันเป็นใหญ่เลยนะอใบันไดอินซีทั้งหมดนี้เท่าไหร่อินซีจี้สิบเลยรวมนี้ด้วยไหมรวมด้วยแต่ในนี้เฉพาะมีเท่าไหร่อันนี้มีสี่โอเคจึงชื่อว่าสหชาตินซีเพราะเกิดพร้อมกันด้วยกับาะินซีเหล่านี้มันมาเกิดพร้อมกันเท่านั้นเอง หมูมากเลยอัท น, นี้เท่า น, นี้ก่อน้ก่อนแล้วเนอาเท่นี้ก่นอนนะเพราะว่าอย่างอื้อนอยูมันต้องว่าเขาหน้าไว้เขาหน้าหมูเรามองเป็นกลุ่มนะวันหลังเราก็พอพอดูออกแล้วที่เหลือก็ไปหาแต่คําแปลอย่างเดียวอคําแปลก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่นักหรอกนั่นแหละเพราะว่าสับ์บางสั์มันคล้ายๆกันเช่น <c oughs> ที่ไหนมีทิทิข้างหลังเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแปลว่ามีอยู่ วิคตะวิคตาตัวหลังตัวนั้นน่ะถ้ามีอ่ะนำหนา้าแปลว่ายังไม่ปราศจากไปนั่นแหละนั่นแหละก็ในนี้ทั้งหมดนะให้เห็นว่ามีแค่เก้าชาติเท่านั้นเองมีเก้าชาติในนี้ทั้งหมดมีครบเก้าชาต์ไหมเอาหนึ่งสหได้ไหมหนะึ่งสาชาตชาติมีไหมมีสองอารามณชาติก็คือรูปอารมณ์อยู่ในตระกูลอรารามณชาติ จิตเจตสิกดวงเดียวกันเป็นสาชาติชาติผวังขจิตดวงก่อนเป็นอนันตรชาติหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่จิตดวงนั้นเป็นวัตถุปุเรชาติชาตินะแล้วก็จิตที่เกิดหลังเป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดก่อนด้วยอํานาจปัจฉาชาติชาติอาหารที่ในหาทายวัตถุเป็นปัจจัยโดยรูปอาหารชาติชีวิต ตินซีเป็นปัจจัยแก่หัตถยัตวถุดโดยโรคชีวิตตินซีหัตถยัตวถุเป็นผลของกรรมก็มาจากนานัาขะคณิก ก, กรรมชาตินั่นแหละนี้ก็ครบเ้าชาติแล้วเนอ ะ, น ะ, ะอ่าปกตูปานิสยาชาติไงอ่าปกตูปานิสยาชาติอะไร<ม>ที่ไม่ใช่ที่เหลือนั่นแหละเป็นปกตูหมดเลยพราะกว้างมากพระองค์ทรงแสดงว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่ กุศลกุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลกุศลเป็นปัจจัยแก่อภิยากตะอากุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลอากุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลอากุศลเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะอภิยากตะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่กุศลอภิยากตะก็เป็นปัจจัยแก่ อาุสลทันโหมีเยอะมากหลายในด้วยกันเพราะฉะนั้นนี้เป็นเรียกว่าเรียนแบบกลุ่มๆนะที่สุดแห่งการเรียนกลุ่มปุ๊บเราก็จะมองออกแม้กระทั่งในจากขู่วิญญาณถ้าเรารู้โดยชาติแล้วนะไม่ยากเลยไปดูเลยอย่างเพลกไปหน้าห้าอย่างนี้เราจะเห็นเลยไม่ไม่ยากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าท่านแสดงรวมๆใช่ไหมว่าในปัญจทวาราวัชนจิตนั้นมีปัจจัยทั้งหมดอยู่สี่สิบเก้าปัจจัยน จักรคูวิญญาณจิตมีปัจจัยอยู่4ี่ปัจจัยนั่นแหละเราก็สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องปัจจัยอย่างดีเลยนะมันจะคล้ายๆกันต่างกันแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองถ้ามองโดยชาติออกนะถ้ามองโดยชาติออกปุ๊บเนี่ยรายละเอียดต่างกันบ้างที่มันต่างเพราะเอาองค์ธรรมมาตั้งที่ต่างกันเอาสภาวะมาต่างกันเช่นปัญจทวาราวชนาจิตเป็นจิตชาติกิริยาจากรคูวิญญาณจิตเป็นจิตชาติวิบาก วัตถุก็ต่างแต่เป็นจากขู่ภาษาธรูปอารมณ์ก็ต่างอาอารมณ์ก็ยังเป็นอารมณ์เดียวอยู่คือรูปารมณ์ปัจจัยคือจิตดวงก่อนที่ดับไปแล้วก็ต่างกันเพราะจิตที่ดับไปไอปัญจทวาราวัชนาจิตเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันหมดไปมันก็เป็นปัจจัยให้แก่จากขูวิญญาณนั่นแหละแต่ว่าผู้รว ม, รวมเลยนะการเกิดขึ้นของจิตหนึ่งต้องอาศัยวัตถุจำไว้เลยนะง่า ย, ายหนึ่ง วัตถุสองอารมณ์สามสามัมปะยุต ธ, ธรรมสามคำเนี่ยแค่นั้นเองที่เหลือไม่ยากที่เหลือหารายละเอียดเพิ่มเติมจำแค่สามอย่างนี้ได้ง่ายแล้วนั่นแหละเววัตถุวิญญาณอารมณ์นะสามคำนั่นแหละเรั้นถ้าการพิจารณาปัจจัยของจิตนี้ข้อความในปัจจยปริกหายานปัจจัยที่สำคัญของนามธรรมมีอยู่สาธารณปัจจัยสาธารณปัจจัยก็คือจิตทุกลวงเกิดขึ้นต้องอาศัย วัตถุถ้าธรรมดาพวกเรานะต้องอาศัยวัตถุอารมณ์และสัมปยุตตธรรมทีนี้ถ้าเป็นกุศ ล, ลจิตก็มาจากปัจจัยที่ต่างกันกับอกุศ ล, ลจิตใช่ไหกุศลมาจากโยนิโสมนัสิการเป็นต้นเป็นปัจจัยอกุศลก็มาจากอะโยนิโสมนัสิการเป็นต้นเป็นปัจัยพอในชั้นของชาวนาจิตนี้ก็มีปัจจัยแตกต่างกันตามสมควรในเรื่องนั้น แต่ว่านี้เราเรียนตัวเราก็จะมองเห็นโครงสร้างของปัจจัยตามองเห็นปั๊บสี่สิบเอ็ปัจจัยอันนี้นับแบบไม่นับซ้ํานะถ้านับแล้วนับซ้ําอีกเยอะกว่านี้นะแต่นี้เรียกว่าพูดพูดแล้วไม่นับซ้ําพูดแบบไม่รวมคือแยกพูดแยกกล่าวเป็นหมวดเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะปับ๊บก็จะได้ประมาณกี่กลุ่มทั้งหมดเนี่ยสามหกมีอยู่สิบกลุ่มด้วยกันนะ ถ้ามองเป็นกลุ่มนะในจกักรคูวิญญาณเนี่ยมีปัจจัยอยู่ประมาณสิบกลุ่มใช่ไหมปัจจัยของจักรคูภาษาทารูปมีอยู่ห้ากลุ่มปัจจัยของจกักรคูวิญญาณมีอยู่ทั้งหมดห้ากลุ่มเหมือนกันหกนะ นานักหนึ่งสองปุวัตุสามสหาชาตะสี่อารมณ์ห้าปรตูหจิตดวงก่อนนั่นแหละวัตถุมีปัจจัยจากคูภาษาถ้ามีปัจจัยอยู่สี่กลุ่มจากคูวิญญาณมีปัจจัยอยู่หกลุ่มนั่นแหละถ้ามองเป็นกลุ่มๆนะวิชาปัฐานไม่ยากไม่ยากขอแตมาว่าใจที่คิดมานะง่ายกว่าเรียนจุลตรีตั้งเยอะเรียนเรื่องจิตสมัยแรกๆนี่มานั่งง่วงอย่างเดียวโอ้โฮอาจารย์ท่านว่าอะไรของท่านผมมารู้แล้วคุณา หลับๆตื่นๆฟังไปงั้ น, น่อนั่นแหละพอเป็นเรื่ปัจจัยก็ไม่ยากไลยมองเห็นลูกศรเห็นลูกศรปั๊บมันก็เข้าใจแล้วจําแต่ชื่อได้ก็ใช้ได้แค่นั้นหนหะส่วนที่เหลือทํายังไงเราจะเอาความรู้อันนี้มากระพริบตาปุ๊บเราก็เอาความรู้เหล่านี้มาคิดในชีวิตเราได้เอามาคิดว่าองค์ตัวนี้เป็นปัจจัยกับตัวนี้ตัวนี้เป็นปัจจัยกับตัวนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเอามาตรึกแบบนี้บ่อยๆเขาเรียกว่าตามเพ่งด้วยใจอั้นองค์คุณของพงหูสูตรอยู่ที่การ ตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิพอมีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ปั๊บนะยาตะปริญญาไม่ยากนะใช่ไหมเมื่อก่อนโหจากครูภาษาธาเป็นรูปประขันจากครูวิญญาณเป็นวิญญาณขันสีเป็นรูปประขันภาษาเป็นเวทภาษาเป็นสังขารขันไอ้สมัยก่อนอูมันยากจริงจริพอมาเจอปัจจัยในเรื่องขันห้าเบาเลยพอมาเจอเรื่องปัจจัยเอ๊ะมันไอตัวเลขที่ว่าไปข้างก่อนมันไม่ค่อยเยอะ แต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเข้าใจในจุดนี้ได้โดยปัจจัยโดยงี้มุมต่างๆได้การศึกษาธรรมะของเรานี้ก็เท่ากับเรามีความรู้เรื่องทุกขสัจเป็นอย่างดีความรู้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นความรู้ในเรื่องของทุกขสัจเน้นนะทุกขสัจตัวนานักขณิกรกรรมเนี่ยตรงนี้ท่านแสดงสมทสายสมุทา ย, ยศาสตร์ให้เห็นอยู่ตัวเดียวคือนานักข่าขณิกรกรรมท่านให้ปมไว้อันเดียวเพราะในแผ่นเอกสารหน้าสองนี้เป็น วัตตาคามีวัตตามันเป็นไตแบบนี้แหละนัะ่นแหละให้เห็นว่าถ้าไม่มีเจตนากรรมในอดีตวัตถุมีได้ไหมไม่ได้จะคูวิญญาณมีได้ไหมได้ก้อนต้องปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายในธรรมชาติเหล่านี้ที่นั่นแหละจริงๆจะเป็นวัตถุทุกถ้าจะพ้นทุกได้ก็ ท, ที่ที่ตานั่นแหละถ้ามีความเข้าใจอย่างอย่างสมบูรณ์จริงๆฉั้นวันนี้ก็เกือบหมดเวลาแล้วใครอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมในตรงนี้ไหม ชาวณะอย่างเดียวาชาวณะที่เป็นมหากุศลและมหากุศลนั้นต้องเป็นญาณสัมปยุตเท่านั้นที่เป็นสัมปชัญญะในขณะชาวณนะนั่นแหละดังนั้นถ้าหากว่าชาวณะแรกๆที่เป็นศาสตะสัมปชัญญะก็ต้องเป็นไปกับศีลกุศลและสองส ป, ปายะสัมปชัญญะตัวนี้เนี่ยเป็นไปกับศีลกุศลด้วยสมาธิกุศลด้วย และก็สามโคจระสัมปชัญญะก็เป็นไปกับสมาธิกุศลหรือสมถะสุดท้ายอาสามโมหะสัมปชัญญะเป็นไปกับวิปัสสนาเพราะฉะนั้นในสัมปชัญญะสี่เป็นทั้งศีนสมาธิและปัญญาเป็นมนโนทวารวิถีสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาแต่โยนิโสนี้ไม่ใช่คือกว้างกว่าปัญญาเพราะว่า โยนิโสอาจา ก, กุศลจิตก่อนก่อนก็ชื่อว่าเป็นโยนิโสด้วยตัวมโนทวาราวัชนะก็ชื่อว่าเป็นโยนิโสด้วยก็คือตัวที่เป็นปัจจัยที่สําคัญหลักๆกอกุอกศลจิตเกิดอตัวนั้นแหละเรียกว่าโยนิโสดังนั้นตัวปัจจัยนั้นนั้นอาจจะไม่มีปัญญาประกอบก็ได้นั่นแหละหรือชวนะก่อนก่อนถ้ามีปัญญาประกอบปัญญาก็ชื่อว่าหนึ่งในโยนิโสด้วยปันวิถีก็เฉพาะในปัญจทวารวิถีก็คือโวตทัพนาจิต เท่านั้นเองถ้าถ้าเฉพาะเอาเฉพาะวิถีเดียวนะไม่ไม่คุยเรื่องอื่นไปเลยก็คือตัวว่ถาถระจิตแต่ถ้าเอาวิถีอื่นๆเข้ามาด้วยก็วิถีก่อนๆนั่นแหละเป็นโยนิโสให้ปัญจทวาราวชนาจิตเนี่ยคิดดีนั่นแหละสมมุติถ้าหากว่าอะอย่างงี้นะถ้าเรากําลังโทสะอยู่ในใจนะเห็นอะไรนะเราจะโทสะไปด้วยแต่ถ้าหากว่ากุศลจิตกําลังเกิดขึ้นนะโห้มองอะไรก็ดีไปหมดอีก มองอะไรก็ยังเป็นกุศลตามไปด้วยนะเพราะว่าปัญจทวารวิถีนี้เป็นวิถีจิตที่อนุวัตตามมนโนทวารวิถีเขาบอกว่าถ้าหากว่าโลภะเกิดนะดูจานแตกยังเป็นโลภะเลยแต่ถ้าโทสะเกิดนั้ดูจานแตกก็โทสะนั่นแนหะตักข้าวเต็มจานยังโทสะอีกตกประชดหรือเปล่า <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยเห็น <c oughs> จานดียังเป็นโทสะเลยถ้าชวนะในมนโนทวารวิถีเป็นโทสะมันทางปัญจทวารวิถีนะ เป็นวิถีจิตที่อนุวัตตามมโนทวารวิถีเท่านั้นเองนั่นแหละท่านส่วนใหญ่แล้วอาจจเพาะปัญจทวารวิถีเนี่ยมันเป็นที่ดูผลบุญและและบาปซะส่วนใหญ่ที่ท่านเน้นในผลบุญผลบาปส่วนในการทํากรรมนั้นเน้นที่มโนทวารวิถีแล้วก็ที่เป็นสุทธามโนทวารวิถีด้วยอยู่ที่การสั่งสมมาะนะแล้วขณะนี้นะเรากําลังนึกคิดอย่างนี้ในชีวิตทุกวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ สั่งสมชีวิตต่อไปในภายหน้าด้วยดังนั้นชีวิตของเราที่มาเป็นอย่างนี้เพราะเราสั่งสมมาและก็กำลังสั่งสมเพื่อวันข้างหน้าต่อไปฉังนั้นการสั่งสมเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายกุศลที่สั่งสมเนี่ยเป็นปกตูปะนิสยาปะจัยให้อริยมรรคกุศลเกิดขึ้นทุกท่านนะนะอนุโมทนาด้วยหมดเวลาพอดีเลย การศึกษาพระธรรมตามพระไตรปิฎกชุดพัฒนวันเสาร์ที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2542นณวัดพันเตาโดยพระอาจารย์สมบัติอนทิโก ขูวิญญาณสงเคราะห์จากขูวิญญาณโดยปัจใจโดยนิยะต่างๆ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานของการที่จะไปพิจารณาธรรมะหมวดอื่นๆซึ่งในการเรียนปัจฐานของเรานั้นมุ่งที่จะให้สามารถที่จะเอาความรู้เรื่องปัจัยมาสงเคราะห์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเป็นยาตะปริญญาซึ่งเป็นธรรมะหมวดที่เราจะต้องพิจารณาเรียนรู้อยู่แล้ว ถ้าหากว่าไม่พิจารณาไม่เรียนรู้ไม่วิเคราะห์ลักษณะนี้พระองค์แสดงว่าเป็นอวิชชาเพราะว่าอาวิชชานั้นคือความไม่รู้ในในทุกขัสสะนะไม่รู้ในทุกขัสสะไม่รู้ในสมุทัยสัตว์ไม่รู้ในนิโรสัตว์และก็ไม่รู้ในนิโรธาคามมนีปฏิปทาอริยสัตว์ท่านการศึกษาของเราเน้นว่าศึกษาปัจจัยเป็นต้นเพื่อเข้าใจในเรื่องอริยสัตว์ คือถ้าเรียนเพื่อทรงคมภีอาจจะต้องตั้งหลักสูตรอีกแบบหนึง่งนะถ้าถ้าเรียนเพื่อที่จะแตกฉานคมภีขึ้นตัวเลขสิบสองหลักนะซึ่งของตมาเองก็ยอมรับว่าบุญน้อยที่ที่จะเรียนนะแค่ตัวเลขแค่สามสี่ตัวนี่ก็ชักมือ น, นะเนะี่ยสิบสองตัวนะสิบสองตัวก็มีสภาวะรองรับหมดเลยเมื่อมีสภาวะรองรับหมดพระองค์พิจารณาธรรมะหมวดนี้พระองค์จึงได้บรรลุสัพพัญญุตยานนั่นแหละนะทีนี้ของเราศึกษา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 เจตเห็นเจตเห็นนั้นในประชิดที่หนึ่งเรียกชื่อว่าจากขวิญญาณจิตนั่นแหละจากขวิญญาณจิตแล้วก็อีกชื่อหนึ่งว่าอาเหตุตุกขจิตเป็นจิตที่ไม่มีเหตุหประกอบเป็นอโสโผนจิตเป็นกา ม, มาวาจะระจิตนะ น, น, นี่เรียกว่าเป็นความรู้ในชั้นพื้นฐานของประชิดหนึ่งทีนี้ประชิทสองในจากขวิญญาณนั้นมีเจตสิกประกอบเท่าไหร่ จดวงจากคุูวิญญาณที่ประกอบก็คือภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกะขะตาชีวิตินทรีสีและก็มณสิกานะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกะขะตาชีวิตินทรีสีมณสิกา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 เป็นวัตถุให้จิตเหล่านี้เกิดเป็นปัจวัตถุให้จักขูวิญญาณจิตเกิดทีนี้จักขูวัตถุเนี่ยนะกับจิตเนี่ยเกิดลอยๆได้ไหมไม่ได้จะต้องมีอารมณ์อารมณ์ันนั้นก็คือรูปารมณ์กระดานมันสั้นไป อากาศไม่ขีดเขียนไม่ได้ลักษณะเขายางหนึ่งของปริเชทรูปนะอากาศรูปเนี่ยขีดเขียนไม่ได้นั่นแหละเขียนได้แค่ขอบนะเพราะวัตถุกับอารมณ์จึงเกิดจากขวัวิญญาณอันนี้ความรู้อันนี้เป็นอันในเรื่องของอารมณ์นั้นปริเชษเท่าไหร่สอนเรื่องอารมณ์ปริเชษสามสอนเรื่องวัตถุกับเรื่องอารมณ์วัตถุทั้งหมดมีเท่าไหร่วัตถุหกอารมณ์มีเท่าไหร่ อารมณ์6วิญญาณมีเท่าไหร่วิญญาณหกระเฉดสามอ่ะจกคูวิญญาณอารมณ์แล้วก็เวทนาจากคูวิญญาณต้องเป็นอุเบกขาเวทนานะความรู้เรื่องนี้เป็นประเฉดประเฉดสามทีนี้ก่อนที่จิตดวงนี้จะมีก่อนที่จิตดวงนี้จะเกิดขึ้นก่อนที่จะคูวิญญาณจะเกิดขึ้นถ้าเป็นประเฉดสี่จะกล่าวถึงเรื่องของวิถีฟัน ก่อนหน้านี้จะต้องมีจิตเกิดขึ้นก่อนเรียกว่าปัญจทวาราวชนาจิตแต่ถ้าชื่อจำพ่อเจาะจงของเขาชื่อว่าจักขุทวาราวชนะจิตเป็นจิตที่รำพึงถึงรูปารมณ์จิตตัวนี้เนี่ยรำพึงถึงรูปารมณ์ปุ๊บเป็นอนันตระปัจจัยให้จักรุูวิญญาณก่อนเกิดขึ้นถ้าถ้าหากว่าเป็นบริเชษสีจะไม่เรียกโดยคาว่าปัจจยัยแต่เรียกว่า การจารทวาราวชนาจิตเกิดก่อนจากขู่วิญญาณจึงเกิดต่อนะลักษณะของประชิเสี4ถ้าเป็นประชิเห้5จะสงเคราะห์โดยภูมิพวกนี้ต้องเป็นกามาภูมิโดยโดยกรรมอันนี้เป็นผลของของกรรมผลของกรรมอะไรบ้างเช่นผลของทิฏฐธรรมเวทนียกรรมผลของอุปชาวเวทนิยกรรมผลของอัปราปริยะเวทนียกรรมอันนี้เรียกว่าเป็นความรู้ที่กล่าวถึงเรื่องของ กรมภูมิเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็เรื่องปฏิสนธิเรื่องอะไรไปอีกนั้นในส่วนนี้เนี่ยสามารถใช้ความรู้ในปริเชต5มาใช้ได้และความรู้ในปริเชต6กล่าวถึงเรื่องของรูปว่าอย่างในจักขุ่ตัวตาของเราเนี่ยมีรูปทั้งหมดอยู่กี่รูปความรู้อันนั้นอยู่ในชั้นปริเชตปริเชตที่6กล่าวถึงเรื่องวัตถุหรือเรื่องรูปอย่างดีอันนในเรื่องอารมณ์นี่กล่าวตั้งแต่ปริเชต3าแล้วปริเชต3เนี่ยกล่าวไว้ชัดเจน ทนี้ปริเชตต่อไปปริเชตที่ที่เจ็ดปริเฉตที่เจ็ดนี้ข อ, อยกตัวอย่างเช่นสงเครโดยสัพพะสังคขะสงเครโดยขันใช่ไหมตากับสีอันนี้ก็ต้องเป็นรู ป, ประขันแน่ๆสงเคราะห์โดยขันจกักขูวิญญาณเป็นวิญญาณขันเวทนาเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นสัญญาขัน เจตสิกที่เหลือมีผัสสะเจตนาเป็นต้นเป็นสังขารขันนะเป็นสังขารขันถ้าเป็นอายตนะได้ไหมได้นะจะขู่วัตถุเป็นจกขายตนะนะรูปารมณ์สีก็เป็นรูปายตนะจะกู่วัตจะขู่วิญญาณเป็น